สําหรับในอดีตนะฮะทุกในอดีตเนี่ยเราคงจะถ้าคิดไม่ออกนะก็ผ่านมาก็รู้แล้วใครไม่เคยทุกข์มากในชีวิตนี้นอ๋อเฉพาะชาตินี้อย่างชาตินี้ก็เหลือหลอยู่แล้วนะครับใครบ้างมันก็อาจจะมีนะอนาคตนี้่มันต้องห่วงแล้วครับข้างหน้านี่จะต้องมีแน่นอนอแล้วก็พุทธวัตรบายอทุกข์นะมีพร ะ, ะพระบุญเลิศท่านบอกว่าไม่ต้องไปดูใกล้หรอกดูไ อ, ไ อ, ไ, อไอสัตว์ในราชานี่แล นะมันเป็นตัวแทนอย่างหนึ่งในของอบายภูมิเพราะฉะนั้นเห็นสัตว์ปั๊บนี่ก็อก็ให้เกิดสังเวทได้นะครับแล้วก็ท่านบอกว่าไอ้มีหมาอยู่ดวงท่านชื่อว่าอะไรนะในประมาทเนอที่นที่ผมไปที่ผมไปที่เขาลูกช้าที่ไปที่สมัยท่านอยู่ที่นั่นนะใช่ป่ะเนอะที่บางที่อะไรนะกระบินอะที่ตั้งชื่อหมาดวงชื่อในประมาทเนอะนึกไม่แล้วเหมือนกันนะใช่ท่านมีมีอุบายแปลกๆดีเหมือนกันถ้าหากว่าเราได้ รู้จักคิดนะหาอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่จะทําให้เกิดความเพียร น, นี่นะสามารถที่จะเจริญกุศลได้อย่างต่อเนื่องได้เรั้นธรรมะเหล่านี้นะทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยถ้าเราจําได้แล้วก็เอามาพิจารณาบ่อยๆเราจะไม่ปล่อยจิตให้ไหลไปกับบาปง่ายๆเพราะรู้ว่าไอ้จิตที่ไหลไปกับบาปนั่นแหละคือต้นตอแห่งความทุกข์เหล่านี้ทั้งหมด น, นะมันเป็นความเสียหายที่ที่น่ากลัวมาก พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นตรัสบอกการคุ้มครองอย่างนี้แล้วจึงตรัสพระสูตรนี้แก่ภิกษุเหล่านั้นเพื่อเมตตาดัแบบแรกนะก็คือเพื่อให้เจริญเมตตาเพื่อให้มีเมตตาแล้วก็เพื่อการป้องกันเป็นปริศด้วยเป็นภาพรปริศเป็นการป้องกันและก็เพื่อฌานอันมีวิปัสสนาเป็นเป็นบาทก็คือเจริญเมตตาเหล่านี้เพื่อเพื่อการเจริญวิปัสสนาอย่าลืมว่าอธิจิตตสิกขาในพระพุทธศาสนากล่าวเพื่อวิปัสสนาอย่างเดียว นั่นะอันสมถาวิปัสนาเป็นยุคควรธรรมเป็นธรรมะคู่กันเป็นธรรมะเหมือนกระแอกซึ่งนะพาไปสู่ที่เดียวกันนะธรรมะเหมือนกระแอกเคยเห็นเขาขับเวียนคู่ไหมนะนะซ้ายขวาเนี่ยวัวตัวข้างซ้ายวัวข้างขวาเนี่ยลากแอกไปใช่ไหมก็คือไปสู่จุดหมายอันเดียวกันฉะนั้นผู้ที่เข้าใจเรื่องสมถาวิปัสนาอย่างดีก็จะรู้ว่าเป็นที่ไปอันเดียวกัน แต่ในขณะเดียวกันนั้นถ้าคนไม่เข้าใจหรือว่าสุดโต่งอย่างใดอย่างหนึ่งก็อาจจะปฏิเสธไปซึ่งทั้งสมถะและพิปัสนาใครเป็นคนแสดงและผู้มีภรครับนั่นแหละพระองค์ก็สอนเอาทั้งสองอย่างนั่นแหละแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ควรที่จะไปดิ่งอย่างใดอย่างหนึ่งจนเกินไปเพราะว่าอินทรีย์หนะถ้าปรับตัวไม่สมดุลกันก็ไม่สามารถที่จะแทงตลอดอริยสัจได้สําหรับจิตสิก ข, ขานี่นะครับ สมัยก่อนที่พระพุทธภาคจะอุบัติขึ้นนั้ น, เ, น <_ d isk> เขาก็มีการศึกษากันอยู่นะครับแต่ชื่อว่าจิตที่เฉยไม่ใช่อธิจิตแต่เมื่อพระพุทธภาคทรงอุบัติขึ้นแล้วนี่นะครับพระองค์ทรงสอนอธิจิตนะครับเพราะฉะนั้นก็อธิศีลตัวดีนะครับอธิจิตตัวดีเนี่ยหรืออธิปัญญาก็ดีนี่นะครับไม่เคยมีมาก่อนมีแต่ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมีมาก่อนพระพุทธภาคทรงอุบัติขึ้น นะครับเขามีการป ฏ, ปฏิบัติเรื่องศีลมาเยอะแยะศีลธรรมที่เขาก็จเจริญมาใช่ไหมครับเกิดผาแม้แต่ปัญญาเขาก็มีบ้างในในลักษณะที่เป็นปัญญาขั้นต่ําๆเป็นพวกกรรมนี่นะครับแต่เมื่อพระพุทธภาคทรงอุบัติขึ้นแล้วก็เป็นอธิศีลแสดงว่าต้องมุ่งตรงต่อการบรรลุมรรคผลใช่ไหมครับอธิศีลอธิจิต อ, ธ, อธิปัญญาเพราะฉะนถ้าใครไม่ศึกษาอาธิจิตนี่ก็รู้สึกว่าจะไม่จะไม่ถูกต้องกนะุศลจิตก็เกิดน้อยหน่อย คำว่าอาทิข้างหน้านี่นะมีความหมายมากๆเลยกุศลธรรมนั้นถ้าผู้ที่เข้าใจแล้วจะไม่ปฏิเสธนะพอรู้ว่ากุศลทั้งหมดที่เจริญเนี่เจริญไปเพื่ออะไรนะที่คำว่ามรรคผลเนี่ยมรรคคืออะไรก็คือการแทงตลอดอริยสัจอริยสัจคืออะไรบ้างอะทุกทุกขสมุทัยทุกขณนิโรธและก็ทุกขนิโรธถ้าคาม่นีปฏิปทานะ คำว่าทุกได้แก่อะไรได้แก่อะไรกันนะรูปนามหรือขันหา่าที่ทำไมจริงใช้คำว่ารูปนามมันยอดดีนะเพื่อสะดวกต่อการแสดงสำหรับคนที่เข้าใจแล้วนะอันคำว่ารูปนามในพระไตรปิดกนะที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยมีไม่กี่แห่งมีน้อยมากที่เป็นพุทธพจน์จริงๆในพระไตรปิดกนะมีน้อยแห่งมาก และสํานวนในยุคหลังๆมาท่านท่านก็มามาย่อเพื่อสะดวกต่อการอธิบายบางอย่างเท่านั้นเองนะของเราก็จะเอาไอ้ตัวย่อดนั่นแหละมาแสดงกันนะอย่างเช่นในวิสุทธิมรรคเนี่ยนะในปัญญานิเทศปัญญานิเทศนั้นจะกล่าวถึงเรื่องขันก่อนขันธาตุอายตนะสัจจะอินทร์ปฏิจจสมุบาตนะพูดอันนี้ละเอียดดีหมดแล้วเนี่ยนะ ตอนหลังเนี่ยพอกล่าวถึงทิ่ที่วิสุธทธิท่านประมวลความรู้ทั้งหมดมาให้เหลือสองคำคือคำว่ารูปกับคําว่าว่านามแต่เมื่อประมวลลนนักษณะนี้ถือว่ารู้กันแล้วเพราะเรียนพิสดารมาแล้วนั้นถือว่ารู้กันเพื่อสะดวกต่อการอธิบายนี่ของเราเนี่ยผาเข้าไปพรูดหนึ่งเลยถา้าหนังสือมีหกร้อยหน้านะเราเนี่ยผ่าเข้าไปเล่มหน้าที่ห้าร้อยนะจะไปใช้หน้าห้าร้อยปฏิบัติเพื่อนหน้าหกร้อยเลยนะเครียกว่ามันรัดไปหน่อยก็นะ นี้พอพอลัดๆัดอย่างนั้นมันก็ไม่มีผลพอไม่มีผลก็คิดบัญญัติทฤษฎีใหม่ใหม่กันขึ้นนะซึ่งทฤษฎีเหล่านั้นก็ผิดผิ ด, ผดทุกทที่ผิดมันก็ก็ไม่ดีเฉพาะตนไปแต่ที่ที่เสียหายมากก็คือกล่าวว่าเป็นคำสอนนั่นแหละเสียหายมากซึ่งถ้าหากว่าเราศึกษาให้ดีๆแล้วจะถ้าอ่านพระไตรปิฎกเยอะๆเนี่ยจะอย่างเช่นในขันธนิเทศขันธวรวักเนี่ยนะ พวกนี้แสดงเรื่องขันโดยแง่มุมต่างๆอย่างมากมายคําว่าขันเนี่ยแสดงเยอะจริงๆสายยตนาวักเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องอายตนาก็แสดงเยอะจริงๆนะแล้วก็ในเรื่องของปฏิจจส ม, มุปบาทเนี่ยนะอภิสมะยสังยุทธ์เนี่ยนะสังยุตต น, นะนิการนิทานวักเนี่ยปฏิจจส ม, มุปบาทเยอะจริงๆอะ่ะม่เยอะแต่โู้ยทำไมซ้ําๆดูเหมือนซ้ําแต่ว่าแสดงคนละแห่งคนละที่คนคนฟังเนี่ยคนละกลุ่มกันแต่มีความแตกต่างกันบ้าง แห่งละนิดแห่งละหน่อยตามสมควรแก่แก่อัธยาศัยของของผู้ฟังนั้นๆนะแล้วก็ในที่อื่นๆอีกอย่างในในทั่วไปอย่างทีขนิกายกับมัชฌิมนิกายเนี่ยจะแสดงข้อปฏิบัติเป็นลำดับเลยตั้งแต่ศีลสมาธิและปัญญานี่ให้เห็นเลยอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าศีลเนี่ยนะตั้งแต่มหาจุลศีลมัชฌิมศีลแล้วก็ มหาศีลพอแสดงถึงศีลเหล่านี้ดีเสร็จพระองค์ก็จะแสดงเรื่องสันโดษนะพอแสดงเรื่องสันโดษจบพระองค์ก็จะแสดงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยสีละเรื่องปัจจัยสี่เรื่องสันโดษนะที่เหมือนกับเรื่องนกนะไปแบบนกพิจารณาปัจจัย4ี่พูดถึงสัมปชัญญะพอพูดถึงสัมปชัญญะพวก็แสดงถึงการชำระนิวรณ์นะการชำระนิวรณ์เสร็จก็แสดงถึงเรื่องฌานเรื่องฌานเสร็จก็จะต่อด้วยอภิญญา พอต่อด้วยอภิญยาเสร็จอาสวะขยายนี่จะอยู่ท้ายๆแต่ถ้าหากว่าเป็นในสังยุตตนิกายจะแสดงเรื่องขันเลยวิปัสนาล้วนๆเลยแต่ถ้ามัชชิมนิกายเขาเรียกว่ามหาวิปัสนาเป็นนิกายที่ว่าด้วยมหาวิปัสนางะนั้นคนส่วนใหญ่ถ้าอ่านมัชชิมนิกายที่แรกเลยศรัทธาตกแต่ถ้าหากว่าอ่านมัชชิมนิกายเข้าใจแล้วคำพิอื่นๆก็ไม่มีที่ไม่เข้าใจเพราะสามารถที่จะอาศัยในยะอ น, นั้นไปค้นคว้าอย่างอื่นต่อๆไปได้ แต่ถ้าจะเอาวิปัสสนาล้วนๆเลยอย่างเช่นสลายตนะวัคนั่นแหละวิปัสสนาล้วนๆเลยสลายตนะวัคขันทวรวักพวกนี้เป็นเรื่องของวิปัสสนาโดดๆเด่นๆไปเลยแต่ถ้าจะหากว่าศึกษาให้มันสัมพันธ์กันนั้นวิสุทธิมรัคเนี่ยท่านเรียบเรียงให้เห็นถึงความสัมพันธ์การของธรรมะทั้งหมดอั้นถ้าหากว่าเรามีการศึกษาเป็นลําดับเป็นต้นเราจะมีความเข้าใจว่าการเจริญกุศลธรรมนั้นอ่ะไม่ได้แคบแคบแร้ว มีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคนั้นทรงแสดงอัคีขันธูปมา ส, สูตรอคีปแปล ว, ว่าไฟขันทาาแปล ว, ว่ากองนะขันธูปมา ก, ก็คือไฟกองใหญ่อ่ะที่ที่ตัดกับภิกษุทั้งหลายผู้ไม่มีศีลไม่มีกัลยาณธรรมเป็นต้นน่นนะนะบริโภคปัจจัยของชา ว, วแว่นแคว้นี่นะให้ไปกินก้อนเหล็กแดงๆตายถ้ายังดีกว่าในสูตรนั้นเนี่ยนะ เสร็จแล้วพระในวัดเชตาวันในศึกเหมือนใบไม้ร่วงเลยเขากงั้นศึกเยอะจริงๆเลยก็บอกโอ้เสียดายนะฟิกสูหล่านั้นไม่มีใครปลอบใจว่างั้นถ้าในการยังลงอมะตะนิพานเนี่ยมีมาเหมือนกับท่าลงมหาสมุทรอ่ะนะถ้าเราจะไปลงทะเลเนี่ยจะต้องต้องไปภาคใต้อย่างเดียวไหมไปลงที่อื่นก็ได้ไปลงที่ประเทศอื่นก็ได้ในการลงทะเลการรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจก็เหมือนกัน ถ้าศึกษาอริยสัจให้กว้างๆแล้วจะรู้ว่าวิธีการอย่างลงสู่อริยสัจนั้นน่ะในมากมายมหาศาลนะถ้าผู้ที่ได้ศึกษาสุสตตมยญาณอภินญญ า, านิเทศในปฏิสัมพิธามัคหรือผู้ที่ตรึกพุทธานุสติในหัวข้อว่าสัมมาสัมพุทโธเนี่ยจะรู้ดีเลยว่าการสงเคราะห์ธรรมะลงอริยสัจเนี่ยมีตั้งหลายหัวข้อนะเป็นร้อยๆหัวข้อ นะับสอง้อกว่าหัวข้อเช่นยกตัวอย่างนะที่เราเคยฟังกันแล้วก็คือจักขคูใช่จักรคูสมูทยัยจักคูนิโรธแล้วก็จักคูนิโรธค า, ามินีปฏิปทาแล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกอย่างเช่นรูปประขันเนี่ยนะรูปรูปสมูทยัยรูปนิโรธรูปนิโรธทค า, ามินีปฏิปทานนะหรืออาจจะสงเคราะห์ อ, อย่างอย่างอื่นก็ได้เช่นวิญญาณอย่างเงี้ย วิญญาณสมุทัยวิญญาณนิโรธวิญญาณนิโรธาคามมนีปฏิปทานั้นผู้ที่ศึกษาให้ดีๆแล้วจะรู้ว่าถ้าในการแทงตลอดอริยธรรมเนี่ยนะแทงตลอดอริยสัจของพระผู้มีพระภาคนี้มากจริงๆที่ที่เราไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าเราศึกษาพุทธคุณเป็นต้นนี่อ่อนไปถ้าศึกษาพุทธคุณมากๆแล้วจะรู้ว่าบทธรรมทั้งหมดของพระผู้มีพระภาคนั้นมีรถเดียวใช่ไหมมีรถเดียวคือ วิมุติรถแล้วพระองค์ให้แง่มุมให้นัยยะต่างๆตั้งมากมายแม้แต่สติปัฏฐานเนี่ยนะสติปัฏฐานไม่ได้แสดงวิธีเดียวนีถ้าคนที่อ่านสติปัฏฐานสังยุตเนี่ยนะสังยุตตนิการีนะตรงสติปัฏฐานเนี่ยสติปัฏฐานสังยุตเนี่ยจะเห็นวิธีการแสดงสติปัฏฐานทั้งหลายในด้วยกันไม่ได้บอกวิธีเดียวนีมีทั้งอุปมามีทั้งอุปไม่มีทั้งเปรียบเทียบมีทั้งอุทาหอนมีทั้งตัวอย่างนะทั้งหมดเลย ถ้าเราศึกษากว้างกว้างหน่อยจะเบาแล้วก็อย่าลืมว่าพระพุทธศาสนาสอนเรื่องเรื่องอไรนะเรื่องทุกข์ใช่ไหมแต่สอนให้คนเป็นทุกข์ไหมอริยมตรตมีองค์แปดนีมม่มีมีทุกขเวทนาทุกเจตสิกเกิดร่วมด้วยไหมไม่มีนะกุศลธรรมไม่มีไม่มีทุกขเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นทุกข์นั้นเป็นปริญญาญากริจของทุกขควรกําหนดรู้หรือรอบรู้ด้วยปริญญาสามสมุทัยคือบาปอากุศล น, นั่นแหละควร ควรละนั่นแหละนิโรธควรทําให้แจ้งอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แควรจเรรจริญทํำยังไงจึงจะเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แได้อย่างถูกต้องสัมมาทิฏฐิคือข้อแรกปัจจัยของสัมมาทิฏฐิมีกี่อย่างทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะพูดบ่อยจน1ปรตโตโคสะการฟังนะสอง โยนิโสมันสิการะก็คือคิดตามที่ฟังนั่นแหละสองอย่างนั่นเองเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาทํำยังไงปัจจัยให้เกิดปัญญามากเพราะถ้าเมื่อบุคคลมีสัมมาทิฏฐิสัมมาตัวอื่นจะมาด้วยนะสัมมาสังกัปปะจะตามมาสัมมาคนนี้จะพูดตามที่ตัวเองคิดสัมมาวาจาจึงต่อจากสัมมาสังกัปปะข้อความในประธานสูตรเนี่ยพระองค์บอกว่าพระองค์เนี่ยเจริญสัมมาสังกัปปะ แล้วพระองค์เนี่ยจะทําสัมมาสังกัปปะให้ชํานาญในในประธานสูตรสังคุทการนิกายสุตตานิบาตกล่าวไว้อย่างนั้นเลยว่าจะทําสัมมาสังกัปปะให้ชํานาญแปลว่าคิดให้มันชํานานตรึกให้มันชํานาญแต่ว่าตรึกอะไรตรึกสิ่งที่ตรึกก็คือสมถะ ก, กับวิปัสนาทําอย่างไรที่จะศึกษาว่าสมถานิมิตวิปัสนานิมิตแล้วก็ตรึกนิมิตอันนี้ให้มากๆ แต่วิปัสสนาก็ไม่ได้แคบแคบใช่ไหมทั้งขันทั้งธาตุทั้งอายตนะทั้งสัจจะทั้งอินทรีย์ทั้งปฏิจจสมุปาทเนี่ยโอ้มีเรื่องให้คิดเยอะแยะไปหมดอะจะคิดหรือเปล่าเท่านั้นแหละคงไม่ใช้คําย่อๆว่าพิจารณานามรูปเท่านั้นใช่ไหมครับอรู้สึกมันแคบมากใช่ไหมครับต้องลองดูว่าคําเหล่านี้เนี่ยมันเหมาะกับใครใช้นะคือคือถ้อยคําคําเดียวกันเนี่ยนะมันก็ต้องดูด้วยถ้าคนที่มีความรู้ดีอยู่แล้วเนี่ยเขาไม่ต้องพูดกันเยอะ ซึ่งใช้คําเปลืองเกินไปแต่ถ้าคนไม่รู้เลยจะมาเอาแบบคาถ า, าพระพาหิยะเลยนะดูก่อนภาหิยะเธอเพิ่งทำศึกษาว่าเห็นเป็นเพียงสักว่าเห็น เ, เราก็เห็นอยู่ทุกวันเนี่ยมันสักแต่ว่าเอ๊ะมันมันมันเป็นยังไงเขาบอกว่าถ้าบอกว่าเห็นเธอเออเธอเพิ่งทำศึกษาว่านะศิกษาสามก่อนนะเห็นสักแต่ว่าเห็นเพราะฉะนั้นเห็นยังไงชาววณะจึงเป็นศิกษาสามนั่นแหละนั่นแหละคือข้อปฏิบัติ เห็นอย่างไรจึงจะเป็นอธิศีและสิกขานะเห็นอย่างไรจึงจะเป็นจตุปริสุทธิสีเห็นอย่างไรเป็นอธิจิตตสิกขาเห็นอย่างไรเป็นอธิปัญญาสิกขาเพราะว่าสิกขาสามนั่นแหละเรียกว่าอารยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เห็นยังไงสิกขาสามจึงจะเกิดเพราะคนเนี่ยจะให้เห็นโดยที่ไม่ให้ชาวนะเกิดไม่ได้บางท่านก็เลยเลยเถิดไปว่าก็คือเห็นสักแต่ว่าดูเหมือนไม่มีชาวนาเลยให้ชาวนาฉลาดเท่าจากขวัญยาณ จากคูวิญญาณไม่มีสัมมาทิฏฐินะนั่นแหละเดี๋ยวก็เลยกลายเป็นนั่งเบอเบอร์ทาให้ไม่รู้อะไรสักอย่างเลยนะดูเ บ, บอเบอร์ไปนิดนิดเห็นเออสักแต่สีไปเท่านั้นเองนีสัมมาทิฏฐิมันเกิดรู้เรื่องกยอยงรรมได้ยังไงใช่ไหมเห็นเฉยเฉยเนี่ยเห็นเฉยเฉเนี่ยนะสัมมาทิฏฐิกรรมมสัส ก, การายังไม่ได้เลยอะ่ะใช่มหม ย, ยาง น, ยน้อยที่สุดนะคนที่ฉราดนิปัสนาต้องมองเห็นบุญเห็นบาปก่อนแหละมองเห็นเนี่ยสามารถวิจัยได้เลยว่าบุญคืออะไรบาปคืออะไร อะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลทําไมจึงเป็นอกุศลทําไมจึงเป็นโลภะใช่ไหมเพราะสายใจในสิ่งเหล่านั้นเป็นสุภานิมิตทําไมโทสะจึงเกิดเพราะสายใจในสิ่งนั้นเป็นปฏิฆานิ ม, มิตทําไมโมหะจึงเกิดเพราะปุเบขานิมิตทํำยังไงมองเห็นแลกกุศลจิตจึงจะเกิดเพราะนิมิตแห่งการปรารบจะให้นะทำยังไงกุศลและศีลจึงจะเกิดเพราะปรารบ อนะนิมิตแห่งศีลตามสมควรแก่ศิษยาบทนั้นๆซึ่งศีลมีตั้งจะตูปไปดิสุทธ่ศีลใช่ไหมเห็นยังไงจึงจะเป็นปาติโมเห็นยังไงจึงจะเป็นอินทรีสังวรเห็นยังไงจึงจะเป็นปัจยสานิสีตศีนี่ใกล้จะไปแล้วก็พิจารณาปัจจัยคือรถด้วยนะไปจะได้สาธกะตามปัญญาทั้ข้อกลับบ้านกันอย่างนี้นะไปถึงบ้านก็สาธกะอีกข้ออย่างนี้นั่นแหละแต่ถ้าฝึกอย่างนี้บ่อยๆเราจะเริ่มรู้สัพยาณะ ถ้ากุศลจิตเกิดได้บ่อยๆนัจะรู้จากสัพพายะถ้าไม่พิจารณาอะไรเกิดขึ้นครับสมมติว่าเราเสพเสนาส น, านะฮะเช่นบ้านก็ดีรถก็ดีถ้าไม่ถ้าไม่ไมพูดใ้เพราะรปัจจเวกถ้าไม่ปัจเจเวกนะ <c oughs> ไม่ปัจจเวกก็คือไม่พิจารณาอะไรจะเกิดขึ้นถ้าขณะนั้นเนี่ยนะจิตเป็นกุศลหรืออกุศล อ, อ่าเป็นอกุศล ถ้าเป็นอกุศลเนี่ยศรัทธาไม่เกิดใช่ไหมซับคือศรัทธาตรงนั้นก็ไม่มีเมื่อไม่พิจารณารับคือศีลก็ไม่มีเมื่อไม่พิจารณารับคือสุตตะก็ไม่มีรับคือฮิรโอต ป, ปะก็ไม่เกิดซับคือจาฆะก่อใหม่มีรับคือปัญญาก็ไม่มีอริยทรัพย์ไม่เกิดขึ้นเลยเมื่ออริยทรัพย์ไม่เกิดเสียหายไหมโลภามีโทษหรือไม่มีโทษให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ควรเจริญหรือควรควรละผู้รู้สารเสริญหรือตําหนิ คนโลภย่อมไม่รู้อัดคนโลภย่อมไม่เห็นธรรมเมื่อใดที่ถูกความโลภครอบงํา ม, มันมืดหมดอ่ะเพราะขณะนั้นไม่อย่างถึงอริยสัจแต่ก็ยินดีนะโลภะ บ, บอกก็ไม่เป็นไรนี่จะก็อยู่อย่างนี้มาตั้งนานแล้วแต่ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นแหมเจอพระพุทธศาสนาก็น่าเสียดายไปอ่ะเนาะนั่นแหละอุตสามาตัดแว่นเสร็จ แ, แล้วกลับไปบ้านก็ใช้ตาเหมือนเดิมนะใช้ตาเก่าๆไม่สวมแว่นเลยนะเพราะคําสอนของพระผู้มีพระภาคเหมือนกับแว่น น, นะแว่นมีประโยชน์เพื่ออะไรถ้าแว่นสมัยก่อนก็คือกระจก น, นะแต่แว่นสมัยนี้ก็คือเอาไว้ใส่เพื่อที่จะได้มองเห็นอย่างน้อยที่สุดมองเห็นบนเห็นบาปมองเห็นว่าชาวนะที่เราคิดทุกๆชาวนะนั้นมีผลนะชาวนะดวงที่หนึ่งให้ผลในชาตินี้จําสูตรอันนี้ไว้ให้ขึ้นใจเลยดวงที่7ไว้ชาติหน้า2อถึงหผลในชาติที่3เป็นต้นไปของใครกับของใครสะสมเอากันแล้วไปสมมติว่าท่านไปบ้านนะแล้วท่านไม่รู้จัก ปัจยสันนิสิตสีนี่นะครับไม่โลภก็โทสะไม่โทไม่โลภโทสาก็โมหะครับถ้าไปโอ้บ้านสบายแมนก็ติดแล้วโอ้โอบ้านมันลกจังเลยโทสะอีกแล้วเข้าไปเบื่อเบอโมหะอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโยนิสวมนาสิการอย่างไรจึงจะเป็นกุศลมา น, นี่น่าสนใจมากเลยคือคือค อ, อินทรียสังวร อ, อย่างดีเลยนะครับคนที่นะจะฝึกอย่างนี้ได้นะ ต้องเห็นว่ากุศลจิตเนี่ยเป็นอริยทรัพย์จริงๆอ่ะคือต้องต้องใส่ใจว่านี่คือทรัพย์อันประเสริฐเลยนะถ้าเห็นคุณค่าของกุศลนั้นน้อยเท่าไหร่เราจะพิจารณาได้น้อยเท่านั้นนะถ้าถ้าเห็นคุณค่าอ่อนจริงๆเราแทบไม่สนใจเลยนะเพราะฉะนั้นภาษาริบุตรท่านจึงตําหนินะว่าคนที่กุศลเกิดก็ก็ไม่รู้นะหรืออกุศลเกิดก็ไม่รู้เนี่ยท่านตําหนิมากเลยกุศลจิตเกิดไม่รู้ว่าควรเจริญ อกุศลจิตเกิดก็ไม่รู้ว่าควรละเมื่อไม่รู้เนี่ยนะเราสูญเสียอยู่ทุกวันนถ้าเราสามารถสังเกตว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะถูกอะไรกลืนกินการเวลาเนี่ยกลืนกินเราตลอดเวลาทีนี้ถ้าหากว่ากุศลจิตเหล่านี้ไม่เกิดชาวนะคือความคิดของเราก็เป็นไปกับอกุศลทีนี้โทษเหล่านี้ถ้าเรามองปัญหาใกล้ๆนะก็เหมือนกับที่ ผููตั้งแต่ต้นแล้วว่าบางคนนี่จะมองชีวิตแค่เ อ, อจากนี้ไปหลับนี่จะไปทำยังไงจะนอนหลับบางคนนี่ก็มองชีวิตแค่แคบแคเท่า น, นั้นเองสั้นๆเท่า น, นั้นเองบางคนก็จะคิดต่อไป hmm. ว่ า, วาพรุ่งนี้จะทําอะไรบางคนนี่จะมองปรือนี้บางคนนี่จะมองชาตินี้บางคนมองชาติหน้าบางคนนี่จะมองเป็นสังสารวัฏเลยเมื่อเราใช้ชีวิตแบบนี้เนี่ยถ้าบารมีไม่เกิดอะไรจะเกิดนะถ้าไม่เป็นไปกระฐานเรามีอะไรเป็นเสบียงทาง ถ้าไม่เป็นปลายกสีนเราจะมีอะไรเป็นทรัพย์เครื่องประดับในภพหน้าต่อไปถ้าไม่เป็นปลายกับปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งยินดีไหมถ้าชาติหน้าจะปัญญาอ่อนะ <c oughs> ชอบไหมยัง ไ, ไงและอย่างหนึ่งทุกท่านปฏิเสธได้ไหมว่าไม่เคยทําบาปมาแล้วถ้าปฏิเสธไม่ได้เออชวนัะนั้นมีผลไหมไเฉพาะของเก่าเนี่ยถึงไม่ทําใหม่เนี่ยของเก่าก็ให้ผลเนี่ยน้ําตาก็เช็ดไปดังมรู้กี่เช็ดแล้วก็ก็ไม่เสร็จอ่ะแต่ถ้าจะทําเหตุใหม่่ะ ถ้าจิตเป็นไปกับอกุศล <S 2> <S 2> <S เหตุใหม่เหล่านี้เนี่ยนะถ้ามันให้ผลเนี่ยเราทั้งหลายก็ไม่ยินดีที่จะรับแล้วเราเห็นคนทั้งหลายที่เขารับผลของอกุศลอยู่เราก็ไม่ยินดีกับเขาเราก็สงสารเขาทั้นคนที่เป็นบาปนะทําบาปเยอะๆนะถ้าเขามาเป็นลูกเป็นหลานเราจะว่าไงใช่ไหมมีลูกพิการอยู่คนหนึ่งไหมลูกคนสมมุติคนหนึ่งทําเหตุปานาติบาตผลอย่างเบาให้ป่วยบ่อยๆเนี่ยเรามีลูกป่วยมากๆเป็นไง ผลศีลข้อที่สองผิดศีลทําให้เสียทรัพย์สีนเป็นต้นมีลูกซึ่งโหล้มละลายล้มจมทําอะไรก็ไม่ได้สักอย่างเลยเนี่ยจะคิดยังไงใช่ไหมมีลูกคนที่สมผิดศีลข้อการเมเยอะๆศัตรูมากทำไง โ, โหยก็ว่าเป็นพ่อแม่ที่ลูกมีศัตรูมากๆเนี่ยนะเดี๋ยวพวกแบกปืนมาป่วนเปี่ยนหน้าบ้านอยู่เรื่อยอย่างนี้นอนไม่ค่อยหลับใช่แต่ถ้าหากว่าผิดศีลข้อที่4บ่อยๆเนี่ย นะลูกหลานประเภทนี้ก็ถูกคนเขาหลอกลวงบ่อยๆมีลูกมีหลานถูกคนอื่นเขาหลอกลวงอ่ะถามว่าเรามีความสุขไหมแล้วก็สุดท้ายถ้ามีลูกปัญญาอ่อนจะว่าไงนะคือบางอย่างเนี่ยนะเราไม่ทําเองก็จริงแต่ชีวิตเราไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นเมื่อเกี่ยวข้องกับคนอื่นตราบาปเหล่านั้นไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้รับด้วยนะใช่ไหมพอเราเห็นปั๊บเนี่ยนะชาวนะเราก็ทํากรรมละเห็นปั๊บชาวนะก็ทํากรรมนะก็ทําอยู่อย่างนี้ถามว่าจบเมื่อไหร่ รู้ไหมว่าจบไม่ได้เนนะเมื่อรู้อริยสัจแล้วคือคือถ้าใช้คำว่านิพานที่ที่ไม่ค่อยอยากใช้นักเพราะว่าอะไรเพราะเราอาจจะนึกภาพไม่ตรงกับความจริงนะเพราะอนิพานในจินตนาการของเรากับในคําสอนอาจจะคนละงานก็ได้นั่นแหะแต่ถ้าหากว่าใช้คําว่าอริยสัจจะได้เห็นความสัมพันธ์เพราะนิพานก็หนึ่งในอริยสัจด้วยนะผู้เพื่อนนิพานก็จะได้เผื่อไปที่ ลูกข่าด้วยวันนี้โยมมาไกลนะโยมมาจากนน่นใกล้ๆนองปิงเลยมาคนหนึ่งข้างหลังโน่นเอา้าเลยฮะเจนทรอน